ในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคนหนึงนะชื่ออุคตะเป็นลูกเศรษฐีในเมืองในแคว้นวัชชีบินามันดานี่เป็นเศรษฐีที่ร่ารวยมากนะเมื่อสิ้นชีวิตทั้งสองคนเนี่ยทรัพสมบัติทั้งหมดนี่ก็ตกเป็นของอุคตะอุคตะก็เลยได้ชื่อว่าอุคตะเศษรษฐีลูกอคตะก็เลือกอบดีอุคตะเศรษฐีเนี่ย เมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาเนี่ยก็มาคิดว่าเนี่ยบิดามารดาของเราเก็บสะสมทรัพย์สมบัติมามากมายตายไปก็เอาไปไม่ได้แล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ใช้ทรัพสมบัตินั้นนะเพื่อเลี้ยงตัวเลยบิดามารดาคงจะระมัดกระแม่นะลูกกตัาเสรษฐีคิดว่าเนี่ย ทรัพย์สมบัติมีมากมายแบบนี้มีประโยชน์อะไรนะตายไปก็เอาไปไม่ได้ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ใช้ปลนเปล่ความสุขให้กับตนเองอย่า ก, กันนั้นเลยนะเมื่อเราได้ทรัพย์สมบัติมาก็เอามาปลนเปอ่ตัวเองให้เต็มที่ดีกว่าเพราะว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้เพราะนั้นใช้ให้ เต็มที่ไปเลยก็เลยไม่ทำหมากินแล้วทราบสมบัติที่มีก็เอามาใช้เพื่อการบำรุงบำรเรตตนสนุกสนานนะหาเหล้าหายามาแล้วก็มีการ เ, าเลี้ยงสนุกสนาน แล้วก็ที่ขามไม่ได้ก็คือมีหญิงมาฟ้อนรำบำรุงบำรเรเป็นเช่นนี้ทุกวันทุกวันนะจนกระทั่งตนเองเนี่ยเ ม, มาหมเป็นนิดเลยก็มีวันหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกับพระสาวกก็มาเสด็จมาที่หมู่บ้านของอุคตาเศรษฐีนะชื่อว่าหัดถิ ข, ขาม แล้วก็พำนักอยู่ที่อุทยานนะซึ่งก็สวยงามเน่ยฟอุกตาเษธีเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะไปที่ไหนก็มีหญิงบำรุงบำเรอมีการเสพสุราแล้วก็วันหนึ่งก็พากันไปที่อุทยานแห่งนี้แหละ ที่พระเจ้าเนี่ยทรงเสด็จประทับพออุคตาเศรษีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเกิดชีริโอตตปะขึ้นมาทันทีเลยกิโลอตตปาคือความลายบาปเก่งกลัวบาปนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ทำหมากินชอบสำเริงสำราญแต่ก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร น, นะพอเห็นพระเจ้านี่ก็ เกิดหิริโอตปาขึ้นมาสั่งเมาเลยสั่งเมาทันทีเลยได้สติขึ้นมาก็ไปกราบนะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยทรงเห็นว่าอุกตาเศรษฐีเนี่ยมีอุปนิสัยแห่งอริยมรต ก, ก็เลยแสดงธรรมนะโปรดอุกตาเศรษฐี ก็แต่เศรษฐิสึ่งตอนนั้นเนี่ยสางเมาแล้วมีสตะะิแล้วก็น้อมใจฟังธรรมนะเพราว่าได้บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระอนาคามีเป็นพระริยเจ้าเลยก็มีไม่กี่คนนะที่บรรลุธรรมเนี่ยเป็นพระริยบุคคลเนี่ยโดยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่นานเท่าไหร่นี่ยังเมาอยู่เลย สันตติอมมายก็เป็นคนหนึ่งนะแต่ว่าสันตติอมมายเนี่ยหายเมาเพราะว่าหญิงฟ้าลำตายต่อหน้าต่อ ต, อตาหายเมาเลยแต่ว่าความเศร้าโศกมาแทนส่วนอุกตาเศตชีเนี่ยนะสั่งเมาเพราะาได้เจอพระพุทธเจ้าแต่ว่าเจออย่างเดียวไม่พอนะต้องมีฮีโร่ตาปะด้วยพอได้สตินะใจนี่ก็พร้อมที่จะน้อมรับ แล้วก็ใคร่ครวญธรรมะก็เลยได้เป็นพระนาคามีว่าได้เป็นพระนาคามีนชีวิตเปลี่ยนเลยนะทรัพย์สมบัตินะที่มีนี่ก็ไม่ใช้มาบํารุงบําเรอตนล้นะเอามาใช้เพื่อการอุปถรัรมภ์บำรุงพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็พระศาสนาส่วนอย่งบํารุงบําเรอเนี่ก็ปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็มอบทรัพย์บางส่วนไปให้ นะเอาไปใช้ทำรรมาหากินในทางอื่นแต่ว่าทรัพย์ที่ตัวเองมียังมีอีกเยอะนะแต่เดิมเนี่ยก็ามาใช้เพื่อปลนเปิดตนขณะนี้เปลี่ยนละเอามาใช้เพื่ออุปถรรัมภ์ประสงค์บํารุงภาษาศาสนาแล้วก็มีส่วนน้อยนะเอาไว้เลี้ยงตัวและครอบครัวนะให้มีความสุข อันนี้ก็เรียกว่าได้คิดขึ้นมานะเพราะเดิมทีคิดว่าเนี่ยมีเงินแล้วเนี่ยมันต้องใช้เลี้ยงตัวเอาไม่ได้ใช้ปลนเปลาตนให้มีความสุขคนตนธรมากคิดแบบนั้นคิดว่านี่คือวิธีเดียวนะที่จะใช้ประโยชน์จากเงินได้ดีกว่าเก็บไว้เสร็จแล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็จริงอยู่นะทรัพย์สมบัติตั้งหลายทั้งปวงที่มีเนี่ยตายแล้วก็ไปไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเอามาใช้บำรุงบำรรตนให้มีความสุกสนานเพลิดเพลินจนไม่คิดจะทำอะไรอย่างอื่นแต่ตอนนี้นี่อุคตาเศรษฐีนี่รู้แล้วว่าเนี่ยมันมีวิธีใช้เงินนะที่ดียิ่งกว่านั้นนะก็คือการอุปถัมบำรุงระศาสนาอุปถรัรมภะสง์หรือบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมนะ และการอุปถัมภ์ของอุกต่าเศรษฐีนี่ก็มีลักษณะเด่นนะก็คือไม่เลือกไม่เลือกว่าพระรูปนั้นรูปนี้เนี่ยเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นปุตุชนมีเทวดานะมาบอกอุคต่าเศรษฐีนะเทวดาคงจะหวังดีนะบอกว่าเนี่ยพระรูปนี้นี่สำเร็จวิชาสามนะพระรูปนี้นะมีอภินยาหกนะ พระรูปนี้นี่เป็นพระดีนะพระรูปนี้เป็นพระทูศีลนะบอกเพื่ออะไรเพื่อให้เลือกถวายแก่พระสงฆ์พระสงฆ์หรือพระวิกษุรูปใดมีคุณนิวิทย์ก็ถวายนะพระรูปนั้นรูปไหนที่เป็นปุถุชนก็ไม่ต้องสนใจมากอันนี้ก็คล้ายๆคนจานวนไม่น้อยนะ ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่มุ่งที่จะถวายทานกับพระอรหันต์หรือพระริยเจ้าหรือพระที่มีคุณวิเศษพระธรรมดาธรรมดานี่พระหนุ่มเนรน้อยนี่ไม่สนใจเนี่ยแต่ว่าอุกตเษชีไม่เป็นเช่นนั้นเลยนะท่านมีศรัทธาสมา่ำเสมอกับพระพิสุททุกรูกนะ ไม่เลือกว่าจะเป็นพระเรียบบุคคลพระอรหรันหรือว่าปุตุชนเพราะท่านเห็นว่าเนี่ยพระเนี่ยนะถ้าได้ละการอุปธรรมบำรุงก็ช่วยทำให้สามารถจ ะ, ะทำกิจต่างๆได้ด้วยดีพระอรหันนี่ท่านก็สำเร็จกิจส่วนตัวแล้วท่านมีแต่กิจส่วนร่วม การที่ท่านได้มีอาหารหล่อเลี้ยงเป็นเลือดเป็นเนื้อนี่ก็ทำให้ท่านทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมหรือบําเพ็ญกิจเพื่อผู้อื่นได้ส่วนพระที่เป็นปุถุชนนะก็ยังมีกิจส่วนตัวที่ต้องทำก็ต้องอาศัยปัจจัย4ในการบํารุงตนเพื่อให้มีกำลังในการทำกิจส่วนตนได้ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาตนนะจนกระทั่งสามารถทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ถ้าคงเห็นนะว่าพระนี่ก็มีหลายลักษณะมีหลายประเภทบางคนก็ไม่ได้มาเพื่ อ, อการพ้นทุกข์แต่ท่านก็รู้ว่าถ้าได้รับการดูแลดีได้รับการกล่อมเกราดีแล้วก็มีอาหารนะหล่อเลี้ยงชีวิต ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตนนะเป็นพระที่ดีได้อันนี้รลักหนึ่งพระทุศีลด้วยพระทุศีนเนี่ยแม้จะมาเพื่อหวังประโยชน์จากการเป็นพระนะเห็นว่าเป็นพระนี่มีอาหารการกินรวมสมบูรณ์ก็มาบวช น, นะไม่ได้ปรัชนาอะไรที่มากไปกว่า น, นั้นเลยแต่ว่าถ้าได้รับ การกล่อมเกล้าที่ดีนะก็กลายเป็นพระดีหรือกลายเป็นพระอรหันได้ซึ่งก็มีอยู่หลายรูปนะนะเคยเล่าให้ฟังแล้วนะพระปิณฑลละภารทวราชานี่ก็มาเพื่อจะได้อ่ามาเพื่อกินโดยแท้มาบวชเพื่อนะกินโดยแท้เพื่อปากท้องโดยแท้หรือบางคนนี่ก็อยากจนมากพอเห็นพระนี่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ก็เลยมาบวชนะ บวชเสร็จแล้วเนี่ยพอสบายแล้วเนี่ยก็นึกถึงชีวิตคารวะเคยมีอิสระเสรีเคยมีภรรยาอยู่เคียงข้างแต่เป็นพระนี่ไม่มีสักอย่างไอ้แบบเนี้ยนะก็เลยสึกไปสึกไปแล้วนี่ก็นึกถึงชีวิตพระขึ้นมาเพราะพอลําบากนะกินอยู่ลําบากทํางานก็เหนื่อยยากนะก็มาบวชใหม่ดีกว่า แบบนี้บวชศึกนึ่ยเนี่ยหกครั้งเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยบวชครั้งสุดท้ายนี่ไม่ศึกแล้วเพราะว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันตั้งแต่ตอนจะเป็นฆราวาสเนี่ยเมื่อตัดสินใจว่าหลังจากบวชมาหกครั้งแล้วไม่ไหวแล้วเบื่อหน่ายกับชีวิตฆราวาสไปขอบวชดีกว่าเป็นครั้งที่เจ็ดนะระหว่างทางนี่ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลย อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระจำนวนมากที่เดิมนี่ก็เป็นพระที่ไม่เรียบร้อยแต่ว่าพอได้รับ ก, การศึกษาได้รั ก, การกล่อมกได้รับ ก, การอุปธรรมในทางที่ถูกต้องนะก็กลายเป็นพระที่ดีได้อุกต่าเศรษฐีก็คงจะเห็นทํานองนี้แหละนะว่ า, าการอุปธรรมพระเนี่ยหากว่าไม่เลือก ก็อาจจะช่วยทำให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ส่วนรวมแล้วก็ส่วนตนได้ท่านก็เลยเรียกว่าอุปธรรมเสมอกันนะก็เลยได้ช่วยเป็นเอตทักคะด้านอุปถาภสงค์คือมีศรัทธาสม่ำเสมอในพระภิกษุทุกรูปไม่เลือกที่รักมักที่ชังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอุบาสกนะที่ เรียกว่าต้นคดปลายตรงนะต้นคดปลายตรงคือเริ่มต้นเนี่ยนะก็ไม่สนใจธรรมะเอาแต่หาความสุขสนุกสนานสำเริงสำราญยังดีนะที่ไม่ผิดศีลมากนะผิดศีลแค่ข้อที่หนึ่งข้อที่ห้าแต่ตอนนั้นตัวเองนี่ไม่ได้สมาทานศีลนะก็ไม่รู้สึกผิดอะไรแต่ว่าการที่ใช้ชีวิตแบบมุ่งความสุขผลเปิดตนเนี่ยนะ มันก็มีแต่จะพาไปสู่ทางเสื่อมแต่สุดท้ายนี่ก็กลายเป็นพระอนาคามีอันนี้เรียว่าต้นคดปลายตรงซึ่งก็คุณจะเป็นแบบอย่างของผู้คนทั้งหลายนะแม้ว่าตอนต้นนี่จะคดนะไม่ได้เป็นคนที่มีสา ร, รัก์แก่นสารแต่ว่าเบื้องปลายนี่ก็กลายเป็นพระอริยบุคคล เป็นพาหันหรือพานาคามีหรือว่าเป็นกัลยาณปุทุชนที่ดีได้